ปีก่อนนะที่วัดสแกของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยนะเกิดไฟไหม้นะไฟก็ไหม้ตรงข้ามกุฏิของท่านแล้วก็ลุกรามแต่ว่าไม่ได้ไหม้กุฏิของท่านเลยนะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์นะหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีโยมนะชายคนหนึ่งเขามากราบหลวงปู่เพราะว่าที่กุฏิหลวงปู่เนี่ยไฟไม่ไมเนี่ยคงเป็นพ่อหลวงปู่จะมีของดีอยากจะขอของดีมา เอาไว้บ้างนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้สงปู่ก็บอกว่าเด็ยก็นี่ไงพุทธังทำมังสังคังเนี่ยของดีเขาบอกไม่ใช่หมายถึงพระนะะพระที่เป็นององเนี่ยนะสงปู่ท่านก็บอกเนี่ยก็พุทธังทำมังสังคนะงงงงังนี่แหละของดีนะให้ภาวนาไว้นะ <c oughs> เขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะว่าอยากจะได้พักเครื่องมากกว่า หลังจากนั้นเขาก็ไปนะสมปูนท่านก็พูดนะกับพระที่อยู่ใกล้เชื่อคนเรานี่ก็แปลกนะของดีไม่เอานะชอบเอาของปลอมของปลอมคืออะไรนะของปลอมคือว่าพักเครื่องนี่แหละนะพักเครื่องนี่ก็เป็นแค่วัตถุนะแต่ว่าของจริงเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้านะที่ทรงตัดสรุปธรรมนะแล้วก็ทรงแสดงธรรมให้สามารถปฏิบัติได้จนพ้นความทุกข์นะ มีคนจำนวนไม่น้อยนะว่าถ้าจะให้ภาวนาพุทธทางธรร ม, มังสังคังเนี่ยนะหรือว่าให้ระ ล, ลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามเนี่ยไม่เอานะจะเอาแต่พวกวัตถุมงคลท่ั่งที่มงคลที่แท้เนี่ยนะที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยก็คือนะการทําความดีนั่นเองเรื่องตั้งแต่การไม่คบคนพาลอาเสวนาจพานานังมงคลคนสามสิบแปดประการนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นเรื่อง การทำความดีทั้งสิ้นนะไม่ใเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลไม่เกี่ยวเรื่องการมีการได้ของดีนะแต่ เ, เรื่องการทำความดีเป็นมงคลสูงสุดนะเอตัมมังคารมุตตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างอื่นนี่เป็นมงคลที่รองหรือไม่ใช่มงคลเลยก็มีคนเราเดี๋ยวนี้ก็ไปติดกับวัตถุมงคลมากนะจนกระทั่งเข้าไม่ถึงหรือว่าไม่ไม่เอาเลยนะของจริงก็คือว่าคําคสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่สนใจแม้กระทั่งสิ่งที่เราพุทธคุณ พุทธคุณเนี่ยก็คืออะไรก็คือพระปัญญาคุณกรุณาคุณนะแต่นี้ไปเข้าใจพุทธคุณเนี่ยหมายถึงการเสรการเป่าให้กับวัตถุมงคลนะเห็นนี้ก็มีการพูดเนี่ยพระเครื่องรุ่นนี้มีพุทธคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นไม่ใช่พุทธคุณที่แท้พุทธคุณที่แท้เนี่ยก็คือพระปัญญาคุณกรุณาคุณและบางทีก็เติมมาเป็นวิสุทธิคุณนะเพราะเราเคยได้ยินนะคำกล่าวที่ว่าพระพุทธลูก บังพระพุทธเจ้าคำทีบังพระธรรมผ้าเหลืองบังพระสงฆ์เนี่ยเข้าใจความหมายไหมก็หมายความว่าพระพุทธรูปเนี่ยหรือว่าพระเครื่องเนี่ยนะถ้าเราเป็นหลงมงมงายมากเนี่ยมันก็เป็นตัวขัดขวางไม่ให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่ประพฤติธรรมจนตัดสโล ด, ด้วยพระองค์เองถ้าอย่างโยงคนเนี้ยนะสนใจแต่พระเครื่องนะไม่สนใจอ่า พระรัตนตรัยเนยะอันนี้เรียกว่าพระเครื่องเนี่ยหรือว่าพระธูปเนี่ยเป็นประสักคหรือว่าเป็นตัวขวางพระพุทธเจ้าคำภีร์มันนะคนมภีนะบางคนติดคำภีร์มากก็เลยไม่ปฏิบัติเลยนะเชื่อคมภีร์มากกว่าการปฏิบัติให้เกิดธรรมะด้วยตัวเองนะคมภีร์นี่มันก็ขวางนะขวางพระธรรมนะพระธรรมไม่ได้อยู่ในคัมภีร์นะพระธรรมนะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรารู้จักมองนะแม้แต่ความเจ็บความป่วยนี่ก็สอนทําให้กับเราได้นะแม้แต่คําตําหนิติชินดินทาก็สอนทําให้กับเราได้ผ้าเหลืองก็เหมือนกันนะผ้าเหลือง ก, นะ ก, ก็ขวางพระสงฆ์นะหรือผ้าเหลืองบางพระสงฆ์หมายความว่าติดกับผ้าเหลืองนะใครที่ผมผ้าเหลืองก็ศรัทธาโดยที่ไม่ได้สาว่าเออเป็นพระสงฆ์จริงไหมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมพระสงฆ์ที่แท้นี่คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไม่ใช่ผู้ที่ โกลหัวห่มเหลืองนะดัง น, นถ้าเกิดว่าผู้ที่โกลหัวห่มเหลืองเนี่ยสอนผิดนะสอนพลาดนี่ก็ก็ต้องรู้จักนะปฏิเสธนะรู้จักงั่งคําถามไม่ใช่เชื่อแต่พึตงเถือตัวบางทีเสียผู้เสียคนนะเช่นไปให้พระบางลูกทําเสนอยาแฝดทํามใบธรรมานี่ถูกข้าลวลามอันนี้เรียกว่าผ้าเหลืองบางพระสงฆ์นะก็คือว่าไม่สามารถจะไปรู้จักสัมผัสกับพระสงฆ์ที่แท้จริงได้ หลงพรอพุทธทาสใช้คว่า น, นี่นี่คือภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมนะมันเป็นตัวขวางการเข้าถึงความพ้นทุกข์นะที่จริงพระพุทธรูปเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าใช้ดีๆนะก็เป็นสื่อนะให้เข้าหาพระพุทธเจ้าได้นะบางคนเนี่ยมีความทุกข์มีความกระดกลุ่มใจพอได้ไปกราบพระประธานในโบสถ์ เห็นพระประธานเนี่ยนะพระพักนี่อิ่มเอิบ <แฟ S 1> นะด้วยความสงบคนที่รุ่มร้อนเนี่ยพอเห็นพระพักที่อิ่มเอิบนะสงบเย็นเนี่ยใจก็พลอยสงบเย็นตามไปด้วยนะอันนี้เป็นสื่อนะพระพุทธรูปนี่ก็บางทีก็เป็นสื่อนะของความเมตตาของความสงบนะคนเราบางทีพอได้สัมผัสกับพระพุทธรูปที่สงบนะที่เย็นนะใจก็เย็นตามไปด้วย ความรุ่มร้อนก็หายไปมีเด็กมีเด็กไทยนะั้นในอเมริกาคนนั้งเกิดมาก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะเป็นฝรั่งมากกว่าถึงแม้น้าตาจะเป็นไทยวันหนึง่งนะพ่อแม่เนี่ยก็พาไปวัดไทยเจ้าตัวไม่อยากไปนะเพราะว่ากำลังกลุ่มใจนะมีความเครียดเรื่องสอบมีความเครียดเรื่องเรียนนะใกล้จะสอบแล้วนี่นะกลุ่มใจเครียด พอไปเจอพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปที่วัดนั้นเนี่ยเป็นวัดมาเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาธรรมาจักรกัปตนะสูตรตรงแสดงธรรมที่ชีวิตธรรมาจักรกัปตนะสูตรมือขวาของพระพุทธรูปนี้ก็จะทําท่าคล้ายๆเป็นนิ้วว่านั้นนิ้ว น, ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ก็มาบรรจบกันเนี่ยคล้ายๆแบบนี้ยนะเป็นเหมือนกับกงกลงร้อนะเด็กเห็นเนี่ยเด็กก็สึกสบายใจเพราะเด็กรู้สึกว่าพระพุทธเจ้า ก, กําลังจะบอกว่าทุกอย่างโอเคนะ มือที่ผู้เจ้าอได้ได้ถือเนี่ยเป็นภาษาไฝรั่งเขาเรียกเป็นโอเคนะโอเคแปลว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหานะพอได้เจอพระทุทธรูปปังนี้ก็รู้สึกโล่งอกแ ล, ล้วรู้สกสบายใจโปร่งโล่ง้ความเครียดที่มีก็หายไปเพราะว่าผู้เจ้าเหมือนกับว่าผู้เจ้าบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างจะไม่มีปัญหาอันนี้ก็ทําให้คนเนี่ยเราเข้าถึงใจที่เป็นบุญเป็นกุศลได้นะถ้าหากว่าอเกี่ยวข้องกับ พถรูปนะรู้จักมองหรือแต่แม้แต่พระเครื่องเนี่ยก็สามารถเป็นสะพานเป็นสื่อให้เข้าหาธรรมะได้เช่นคนสมัยก่อนนี่พระเครื่องนี่เขาไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ขายเนี่ยเขาแจกนะเวลาจะแจกก็กําชับว่าให้ทําความดีให้มีศีลอย่าไปผิดรูปผิดเมียใครอย่าไปรักขโมยอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็จะทำให้ได้รับ อ, อนุภาพจากพระเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าเป็น เป็นสื่อเป็นสะพานได้นะพระพุทธรูปหรือพระเครื่องเนี่ยแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นนะมันจะเป็นตัวบังเป็นตัวขวางไม่ให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าถึงพระธรรมแม่เข้าถึงพระสงฆ์นะอันนี้ชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้เรานับถือพระรัตนนาจัยเราไปนับถือผิดนะพอเรานับถือพระรัตนาตานาจัยผิดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าไปฉุดเอาพระพุมิธรรมประสงค์ลงมาเป็นของต่ํำไป เช่นบางคนก็ไปไหว้พระพุทธรูปแล้วก็ไปบนบานสายก่าวเหมือนกับไปไปบนบานาผีเนี่ยนะหลายคนเนี่ยบนบานไปกราบไหว้พระพุทธรูปเน่เหมือนกับไปเส้นไหว้ผีนะก็คือว่าไปขอนั่นขอนี่นะบางทีก็มีการามีการความเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นะี้ชอบฉันอาหารอย่างนี้ไม่ชอบฉันอาหารอย่างนั้นนะ ชอบช้างมางลาหรือไม่ชอบไก่หมายถึงว่าเป็นเป็นของตุ๊กตาช้างอันนะอันนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบผีนะเวลาไปเส้นไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยนะก็จะมีการเลือกว่าจะถวายของอะไรที่เจ้าพ่อเจ้าแม่ชอบแล้วพอไปนับถือพระพุทธรูปก็ไปคิดว่าพระพุทธรูปนี่ก็เหมือนกับเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่ชอบอาหารอย่างนี้ชอบอาหารอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าทําให้ผู้เจ้าลงมาต่ํากลายเป็นผีไป กลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะมพีพระทูตุลุบบางๆนะเป็นพระทูตุลุบที่ชื่อว่าเป็นพระทูตุรุบเจ้าแม่นะในภาคใต้าบางจังหวัดอันนี้เรียกว่าเป็นการดึงพระพุทธธรรมประสค์ให้ลงต่ำแทนที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเจ้าแล้วจะทําให้เราสูงขึ้นนะยึดเหนี่ยวพระพุทธธรรมผส์ทําให้เราสูงขึ้นนะเหมือนกับว่าเรามีเวลาเรา ถ้ามีของสูงแล้เราพยายามเอื้อไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องพยายามตะกายให้ถึงถ้าเราทําอย่างนั้นได้เราก็สูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้เรียกว่าเหนียวเหนี่ยวเพื่อให้เราสูงขึ้นนะไม่ใช่ยึดให้ต่ําลงยึดสิ่งของให้มันต่ําลงนะการนักถือพระรัตนาตรัยเนี่ยมันทําได้สองแบบนะก็คือว่ายึดแล้วทําให้เราสูงขึ้นหรือไม่ก็ยึดแล้วเนี่ยทําให้ พ, พรลัตนาตรัยต่ําลงนะอันนี้ต้องระวังมากน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพร